สลายก้อนเครียดด้วยพลังผ่อนคลายหายใจเข้ายาวและช้าผ่อนคลายฝ่าเท้าฝ่ามือและใบหน้าระบายลมออกจนหมดนิ่งพักอย่ารีบเติมลมถ้ากายยังไม่หิวลมสังเกตว่าจิตกระจุกหรือแผ่จิตกระจุก เติมพลังเครียดแน่นจิตแผ่ภพยเติมพลังผ่อนคลายเมื่อพูดถึงพลังคุณจะนึกถึงการออกแรงนึกถึงแรงขับดันหรือนึกถึงอำนาจลึกลับที่ครอบงำสิ่งรอบตัวได้เช่นพลังโซเชียลมีอำนาจขานอำนาจมืดจากคนระดับปกครองได้พลังความคิดมีแรงผลักดันให้งานยากลุลวงได้ พลังธรรมชาติยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ตัวจ้อยเป็นต้นแต่ข้อเท็จจริงคือยังมีพลังอีกหลายรูปแบบที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงเช่นพลังจิตที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุผ่านแรงผลักดันลึกลับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตลอดจนพลังผ่อนคลายที่สามารถช่วยแก้โรคเครียดให้หายขาดหรืออย่างน้อยก็บรเทาเบ า, บาบางลงอย่างเห็นได้ชัด พลังผ่อนคลายได้ชื่อว่าพลังเพราะเป็นสิ่งที่สะสมตัวเองได้พอกพูนได้มีอำนาจเปลี่ยนชีวภาพทางสมองได้ดุดมีตัดเนื้อร้ายหรือดุดเครื่องคันน้ำหวานออกมาจากบ่อสายแห้งๆได้คนที่มีพลังผ่อนคลายมากถึงจุดหนึ่งจะสามารถรู้สึกถึงศักยภาพความว่างจากการเกรงในตนความว่างชนิดนั้นสามารถกลืนกินก้อนเครียดขึ้นสมอง สามารถสลายก้อนเครียดลงกระเพาะได้อย่างง่ายดายไม่ว่าก้อนเครียดเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วหรือจวนเจียนจะเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆ้อนก็ตามวิธีสะสมพลังผ่อนคลายก็ง่ายกว่าที่คิดแค่ทำความเข้าใจว่าถ้าเท้าเกรงมือเกรงใบหน้าขมวดตึงนั่นเป็นเครื่องหมายของโรคเครียดซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเกรงนานแค่ไหน เพื่อผ่อนคลายฝ่าเท้าฝ่ามือและใบหน้าให้หายใจเข้ายาวช้าแล้วรู้สึกถึงความผ่อนพักทั้งเท้ามือและใบหน้าพร้อมกันไปด้วยเมื่อระบายลมออกจนหมดให้ดูว่าคุณสามารถนิ่งพักไม่ต้องหายใจได้นานแค่ไหนกว่าที่ร่างกายจะต้องการลมอีกขอให้ทราบว่า ถ้ากายยังไม่ทันหิวลมและคุณรีบเติมลมอันนั้นเป็นส่วนเสริมโรคเครียดไม่ใช่ส่วนเพิ่มพลังผ่อนคลายถึงจุดหนึ่งที่หายใจสบายแล้วรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายยาวคุณจะเห็นกายเหมือนแก้วโปร่งแสงไร้เลือดเนื้อนั่นแหละที่พลังผ่อนคลายเริ่มปรากฏชัดอย่างไรก็ตาม พลังผ่อนคลายก็เหมือนพลังทั้งหลายที่เพิ่มพูนได้แล้วกลับลดลงได้คุณต้องอาศัยฐานพลังที่มาถึงจุดสบายใช้สังเกตเส ม, อ, เสมอว่าน่นลมหายใจนี้มีอาการทางใจอย่างไรปิดแคบกระจุกตัวหรือเปิดกว้างแผ่ภายออกสังเกตด้วยว่าจิตดวงใดกระจุกเข้ามา จิตนั้นเติมพลังเครียดแน่นนับเป็นเชื้อร้ายของโรคเครียดจิตดวงใดแผ่ภายออกไปจิตนั้นเติมพลังผ่อนคลายนับเป็นยาวรักษาโรคเครียดสังเกตจนเห็นจำแจ้งว่าคิดอย่างไรจิตกระจุกแน่นหัวคิดอย่างไรจิตแผ่ภายสบายอกคุณจะรู้จักคำว่าฉลาดทางจิตขึ้นมา กระทั่งโรคเครียดจะหายจนขาดได้